เป็นคนดีแล้วทุก์ได้ไหมเป็นคำถามที่ดูง่ายๆนะแล้วก็ตอบง่ายๆด้วยว่าเป็นคนดีก็ต้องมีความทุกข์ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีแล้วไม่มีความทุกข์ไม่ใช่คนที่ไม่มีความทุกข์คือคนที่ละวางเหตุของความทุกข์ได้ละเอียดเท่าไหร่ความทุกข์ก็มีน้อยลงเท่านั้นถ้าวาง หรือละเหตุของความทุกข์ได้หมดความทุกข์ใจก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เลยไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถอันไหนไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ที่มีภายนอกก็ส่งเข้ามาไม่ถึงใจของเราไม่สามารถที่จะมาเสียดแทงทำร้ายจิตใจของเราได้อีก ดันั้นการเป็นคนดีเนี่ยยังไม่ใช่เป็นการการันตีว่าเราจะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นก็ต้องขอย้ำว่าความสุขอันหนึ่งความทุกข์อันหนึ่งทีนี้คนดีแน่นอนก็ต้องมีความสุขด้วยนะความทุกข์ก็ต้องมีได้ด้วยนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ที่อยากจะคุยให้ฟังก็คือว่า คนดีเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องอไม่มีความทุกข์ไม่ใช่คนดีก็มีความทุกข์ได้ก็เสมอกันทั่วไปทีนี้มันต้องมีวิธีการสิในเมื่อเราเห็นเรารู้ว่ามันมีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่เขายืนเดินนั่งนอนปราศจากความทุกข์ใจได้เพราะฉะนั้นมันต้องมี กระบวนการมีวิธีที่เราจะสามารถลดทอนความทุกข์ที่เรารับมาในชีวิตประจําวันได้อย่างบางคนเนี่ยทำงานแล้วก็อินกับงานอินมากทุ่มเทศัพท์สมัยปัจจุบั น, เ, น เ, เรียกทุ่มเทนะทุ่มเทกับการงานแต่บางครั้งเนี่ยทุ่มเทจนกลับบ้านก็เอางานกลับมาบ้านด้วย ออกจากที่ทำงานแล้วใจก็ยังผูกติดกับงานอยู่ใจก็ยังไม่วางไม่ปล่อยเพราะนั้นงานก็ติดกลับมาที่บ้านด้วยถ้างานมันมีความเครียดมากหรือเป็นงานที่จะต้องออแก้ปัญหามากเราก็จิตใจที่ก็ง้วนอยู่กับงานอย่างนี้มันก็ทำให้เราไม่ปล่อยไม่วาง สิ่งหนึ่งก็คือความเครียดที่มันเกิดขึ้นจริงๆตรงนี้มันก็คือความทุกข์อยู่แบบหนึ่งนะเพราะมันไม่สบายไม่สบายกายแล้วใจเราก็ไม่ปลอดโปร่งเนี่ยมันก็เป็นความทุกข์แบบหนึ่งแต่คนที่ทุ่นเทให้กับการงานเนี่ยบางครั้งก็จะไม่รู้ตัวหรอกว่าการที่เราทุ่มเทยอยู่อย่างนี้ใจเรามุ่งมั่นอยู่กับงานอยู่อย่างนี้แต่ใจเราเนี่ยไม่ได้ เบาสบายปลอดโปร่งแจ่มใสนะเขาไม่เห็นตรงนี้แต่เขาเห็นว่าการที่เราทุ่มเทให้กับงานการที่เราเต็มที่เอางานมาพิจารณามาใตร่ครวงแล้วเราก็มีความสุขมีความทุกข์เนื่องด้วยงานอย่างนี้เนี่ยเขายังไม่เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของจิตที่มันไปจดจอ่อมันไม่ได้เบาสบายปลอดโปร่งเลย ถ้าเราดูไปให้มันนั่นก็คือก็เครียดนะเครียดกับงานเครียดจนเกินไปพอเสร็จแล้วเนี่ยบางครั้งไม่ใช่ว่าไม่รู้ตัวรู้ตัวด้วยแต่ก็จะอะไรก็แล้วแต่บางทีก็อาจจะหลอกตัวเองหรือสรรหาเหตุผลมาใส่ตัวเองว่าต้องทำให้ได้อย่าปล่อยอย่าพักหรือ อย่าลดระดับความเข้มข้นลงอันนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่ามันก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ใจเราปั้นแต่งขึ้นมาเหมือนกันแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวยค่อยว่ากันไปว่ามันเป็นการปรุงแต่งที่ดีไหมเป็นการปรุงแต่งที่มันมาจากฝ่ายกุศลหรืออกุศลแต่สำคัญมันอยู่ที่ ที่ตัวเราที่จิตของเราว่าจิตของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างพูดยังไงคือสุขภาพของใจของเราตอนนี้มันดีหรือมันไม่ดีถ้ามันไม่ดีก็ต้องรีบรักษานะเหมือนคนป่วยเนี่ยถ้าไม่รักษาป่วยบ่อยๆมันก็เรื้อรังทีนี้ก็เป็นโรคนูน้นโรคนี้ตามมาเรื่อยแหละและคำว่ามากน้อยเนี่ย เอาอะไรเป็นเกณฑ์ไม่ได้จะเอาเกณฑ์ของเราว่าเท่านี้เรามากเท่านี้เราน้อยไปเทียบกับคนอื่นเท่านี้มากเท่านี้น้อยเนี่ยก็ไม่ใช่เหตุที่จะมาเปรียบเทียบกันได้อย่างเทศกูบาจายเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอย่างหลวงปู่ชาเนี่ยท่าน เ, เอาแก้วมาอันนี้แก้วนี้ใหญ่นี้เล็กแล้วบอกว่าใหญ่ท่านก็เอาใบใหญ่กว่าเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเล็กไปเอาใบใหญ่กว่ามาเทียบเนี่ยมันกลายเป็นเล็กไปแต่บอกว่าเล็ก ถ้าก็เอาใบเล็กกว่ามามันก็เลยกลายเป็นใหญ่ไปเพราะฉะนั้นมันต้องมีสิ่งเปรียบเทียบมันถึงจะตอบได้ว่ามันมากหรือมันน้อยแต่สิ่งเปรียบเทียบความความมากความน้อยของเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับของเรานะไม่ใช่ขึ้นอยู่กับของใครอย่าเอามาตรฐานของใครมาเปรียบเทียบกับของเราเพราะฉะนั้นคำว่ามาตรฐานเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ ต้องคอยระมัดระวังให้มากต้องคอยระมัดระวังอย่างไรอย่างเช่นความเป็นคนดีเนี่ยเราก็จะมีมาตรฐานอยู่เหมือนกันว่าเท่านี้ดีเท่านั้นดีเท่านี้นจึงจะเรียกคนดีเท่านั้นจึงจะเรียกว่าไม่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานถามว่ามีไหมมีแล้วมาตรฐานของใครถึงจะดีพูะเจ้าก็ตรัสไว้นะว่ามาตรฐานความเป็นคนดีอยู่ตรงไหนก็คือ เป็นคนที่ไม่ฆ่านะเป็นคนที่ไม่ลักทรัพย์เป็นคนที่มีความประพฤติไม่ล่วงละเมิดลูกใครเมียใครผัวใครอย่างนี้เป็นตน้นไม่ประพฤติผิดในกามนะไม่พูดปดพูดเพ้อเจอ้อพูดส่อเสียดพูดคําหยาบเหล่านี้อันนี้คือมาตรฐานความเป็นคนดีนะ ส่วนการที่เราจะให้ทานใครเราจะตอนนี้เรามีจิตเมตตากับใครไหมถามว่ามีแล้วมันดีไหมดีแต่ถ้าถามว่าไม่ดีเป็นคนถ้าถามว่าไม่มีแล้วมันไม่ดีไหมก็ตอบว่าเฉยเฉยพูดง่ายก็คือเป็นเซตศูนเอาไว้ก็คืออยู่ที่ธรรมดาเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ได้ทำอะไรก็ยังไม่ใช่ว่า เราเป็นคนไม่ดีนะแต่การที่เราเป็นคนดีแล้วมันเกินกําลังเนี่ยเราก็ต้องคอยระมัดระวังเหมือนกันทำดีที่มันเกินกําลังเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็จะย้อนกลับไปเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นอารมณ์ที่มันทิ่ ม, ทมแทงในใจของเราเพราะว่ามันเกินไปมันเกินความพอดีของเราไปไม่ว่าจะเกินความพอดีทางด้านร่างกายก็ก็ดี ไม่ว่าจะเกินความพอดีจนมาทับถมจิตใจก็ดีอันนี้ก็ต้องคอยระวังเอะแล้วเกินความพอดีที่มันมาทับถมจิตใจเป็นยังไงล่ะก็อย่างเช่นคนที่ทุ่มเทให้กับการงานมากๆกเนี่ยก็พูดง่ายก็คือมีความเครียดนั่นแหละความเครียดในการทำงานมากเกินไปเสร็จแล้วมันก็เข้ามาย้อนกลับมาทำร้ายจิตใจของเราคือใจเราไม่ผ่องใสไม่เบิกบาน พอใจเราไม่ผ่องใสไม่เบิกบานพูดง่ายก็ต้องใช้ศัพท์ว่าใจเราก็เป็นทุกข์นั่นแหละเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคนที่ทุมเทแล้วก็ยังไม่รู้สึกพูดง่ายยังไม่อยากใช้คํานี้มันรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ดีถ้าเราใช้คํานี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันคือความทุกข์เกิดขึ้นนะแต่เรายังยินดียังพอใจแล้วเรายังมีมาตรฐานว่าเราทําอย่างนี้อย่างนี้มันดีมันเราเป็นคนดีอยู่นะ แต่คนดีไม่จําเป็นจะต้องไม่มีทุกข์นี่คนดีก็มีความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นคนดีกับความทุกข์เนี่ยต้องแยกให้ให้ชัดเจนนะการทําความดีกับความทุกข์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไปคู่กันได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความเห็นที่มันถูกต้องด้วยทีนี้ถ้าเราเลือกดีมากกว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้น เรารับได้ก็ทนเป็นไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนดีแล้วเราก็ใจเราไม่สบายใจเรามีความอึดอัดมีความเศร้าหมองมีมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเราก็ต้องมาพิณาใหม่นะแล้วก็มาปรับท่าทีกันใหม่ถ้าเราเอาประโยชน์คนอื่นจนมากมากมากมา ก, มากเนี่ย ประโยชน์ของเราก็หดหายไปหรือบางครั้งก็เสียประโยชน์ไปแต่ น, นี้ไม่ใช่ประโยชน์ทางด้านเงินทองอะไรเนี่ยนะอันนี้ก็จะพูดให้ฟังว่ามันเป็นประโยชน์ทางด้านจิตใจจิตใจเราขาดทุนเพราะคนของเราเนี่ยไม่ว่าทําอะไรจริงๆแล้วเนี่ยทาไปเพื่อต้องการความสุขแต่เราทําแล้วเราทําเป็นทําดีมากๆแต่แต่เรายังมีความทุกข์มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ ทุกคนปรารถนากันในแบบนี้ไม่ว่าจะทำไม่ดีก็แล้วแต่ก็ปรารถนาความสุขไม่ว่าจะทำดีก็แล้วแต่จริงๆเราก็ปรารถนาความสุขเหมือนกันแต่ทำไมพอมันมีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเรายังดันทุรังดันทุรังต่อไปก็เพราะว่าเรามีมาตรฐานไอ้ความเป็นคนดีที่มันไม่ถูกตามความเป็นจริงนี่แหละเอามาแปะเอาไว้เพราะฉะนั้น ผู้เจ้าก็ตรัสไปนะว่าประโยชน์คนอื่นเนี่ยแม้มากแต่ทําไปแล้วเนี่ยเราเสียประโยชน์แม้การะนิดหนึ่งเราก็ไม่ควรทําแต่บางคนฟังแล้วก็อาจจะดูโอพผู้เจ้าพูดให้เราเป็นคนเห็นแก่ตัวนะไม่มีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยผู้เจ้านั้นตรัสไปดีแล้วเพียงแต่ว่าเราอย่าไปตีความหมายให้มันผิดเพี้ยนไป การที่ทำประโยชน์กันอื่นได้ไม่มากแต่เราเสียประโยชน์เนี่ยท่านก็ไม่สนับสนุนแต่ท่านสนับสนุนตรงไหนล่ะท่านสนับสนุนตรงที่เราลดเราลดดีกรีสิ่งที่เราทำลงถึงแม้ว่าประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นไม่ถูกใจเราก็แล้วแต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มากอย่างที่ใจเราปรารถนาไว้ก็แต่มันก็เป็นประโยชน์นะพอมันลดลงเนี่ย ประโยชน์ที่เราได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยอันนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่เราควรทำไม่ใช่ว่าเราทําประโยชน์ให้คนอื่นได้มากๆเลยแล้วเราก็ทุกทุกทุกทุทุมันเรียกว่าคนฉลาดไหมละ่ะไม่เลยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถึงเขาจะดีแล้วแล้วเราล่ะสุดท้ายเราก็เป็นผู้ที่แบกความทุกข์เอาไว้ แลถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่มันไม่จบไม่สิ้นอ่ะอย่างเช่นงานแน่นอนองค์กรอะไรก็ต้องต้องมีงานเข้ามาเรื่อยแหละถ้าเราทุ่มเททำทำ ท, ำทำไปทาไปสุดท้ายเราก็ตายคากับงาน น, นั้นและแล้วตายไปโดยที่ในระยะเวลาที่เราทำงานอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้ริมลดรสชาติของความสุข ไม่ได้ลิ้มรสชาติของความผ่อนคลายเบาสบายจากสิ่งที่มันควรจะมีในชีวิตของเราซึ่งเราเกิดมาเนี่ยเราไม่ต้องการความทุกข์เราต้องการความสุขทำไมเรายิ่งทำเป็นคนดีแล้วเรารู้สึกว่ามันมีทุกข์มากเพราะว่าเราทําไม่ถูกเรามีความเห็นไม่ถูกเพราะนั้นมันก็มีอยู่สองกระบวนการนะก็คือ1 เราควรจะลดทอนลงเบื้องแรกเลยควรจะลดทอนให้มันอยู่ในสภาพที่เราพร้อมผสมนะแต่ถ้าคนที่ได้มาผัดปฏิบัติภาวนาได้มาศึกษาเกี่ยวกับจิตใจรู้วิธีทำความสงบให้เกิดขึ้นกับใจของเราแน่นอนเราจะสามารถเพิ่มเลเวลให้มันกลับไปอยู่แบบเดิมได้ เพราะอะไรเพราะว่าเราปล่อยวางเป็นปล่อยวางได้ดีขึ้นไม่เอางานไม่เอาเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่เอามาเป็นเรื่องของใจไม่เอาใจเราเนี่ยไปยึดเอาไว้ไม่เอาใจเราไปผูกเอาไว้ถ้าเราปล่อยได้เราก็ทำไปได้ตามอย่างที่มันควรจะเป็นในตามศักยภาพของเราแต่ถ้าเรายังปล่อยไม่ได้ เรายังยึดเอาไว้สิ่งที่สมควรทำก็คือลดระดับลงมาไม่ให้เราไปจมกับมันมากให้เรามีเวลาที่เราจะปล่อยมันวางมันแล้วให้เราได้เคลียร์ขยะในใจของเราออกไปให้ใจเราได้พักถึงมันจะไม่จำใสเบิกบานใสปิ้งก็ดีแต่ให้มันได้รู้สึกว่าได้พักไม่หนักเท่าเก่าสบายขึ้นแต่ทีนี้พอเรา หัดภาวนาแล้วเรามีสตแิแล้วเรารู้ตามความเป็นจริงได้มากขึ้นรู้ว่าการที่เราส่งจิตออกไปยึดอันนั้นยึดอันนี้ไปยึดรูปทางตาไปได้ยินทางหูก็ยึดเอามาคิดปรุงแต่งในเวลาที่มันไม่มีอะไรกับปรุงแต่งเก็บความคิดปรุงแต่งมาเป็นเรื่องอยู่ในใจว่าเป็นเราเป็นเขาพอเรารู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้นี่เราก็ มีจิตที่มันตั้งมั่นอยู่ในภายในอยู่ในความสงบของเราตาก็ดูไปใจเราก็ตั้งมั่นอยู่ในภายในไม่ส่งออกไปตามเดิมการงานเรามีอะไรแล้วก็ทำไปใจเราก็อยู่กับความสงบของเรารักษาใจของเราให้อยู่ในภายในฉะนั้นความทุกข์ในแบบเก่าๆเนี่ยมันก็จะลดน้อยลดทอนลงไป เพาฉะนั้นก็เราก็จะได้มีมีศักยภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ความทุกข์ที่มันมีก็ได้ลดน้อยถอยลงไปซึ่งถ้าเราทำได้อย่างนี้ความเป็นคนดีกับความทุกข์ที่มันมีเนี่ยมันจะลดลงหมายถว่าเราเป็นคนดีได้มากขึ้นความทุกข์ที่เรามีก็อาจจะถ้ามันไม่น้อยลงก็อาจจะ ส่งตัวไว้แต่ความดีที่เราทำเราก็ทำได้มากขึ้นหรือว่าเราดีมากเพราะฉะนั้นเราก็ทำดีแล้วเราก็ลดทอนความทุกข์ลงไปได้ด้วยอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรทำาพืง่ายก็ย้อนกลับลงมาตรงตรงตรงจุดที่ว่าเราอย่าไปทำงานแต่ภายนอกให้เราทำงานภายในควบคู่กันไปด้วยพอเราทำงานภายในควบคู่กันไป ใจเราจึงได้รับการเยียวยาได้รับการรักษางานภายนอกเราก็ไม่เสียงานภายในเราก็ไม่ขาดทุนแต่ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าขอให้เห็นใจแล้วก็ขอให้รู้ว่าสิ่งสำคัญคือใจของเราไม่ใช่ของใครความทุกข์ที่มีเป็นทุกข์ของเราไม่ใช่ทุกข์ของใครทุกข์ของเราคนอื่นไม่สามารถที่จะมา แบ่งปันไปได้ความสุขของเราก็ไม่มีใครมาแบ่งปันไปได้มันเป็นของเราอยู่ในจิตของเราเพราะนั้นเราเท่านั้นแหละที่จะลดทอนมันเราเท่านั้นแหละที่จะเอามันออกไปถ้าเราไม่ทำใครก็ทำให้เราไม่ได้จะมารอปัญหาภายนอกให้มันหมดไปหรอแล้วเราจะมีความสุขขึ้นไม่มีทาง ไม่มีทางเลยปัญหาภายนอกมันมีแต่มากขึ้นมันมีแต่ทรงตัวและมากขึ้นไม่มีน้อยลงหรอกหมดเรื่องนี้มันก็มีเรื่องใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำต้องทาก็คืองานภายในนี่แหละถ้าเรามีงานภายในที่ชำนาญความทุกข์เราจึงจัดการมันได้บริหารจัดการมันได้ แล้วเราก็จะเป็นคนที่มีความทุกข์น้อยมีความสุขมากแต่ถ้าเราทำได้ดีมากๆเลยเราก็จะสามารถทำที่สุดแห่งทุกได้ก็คือเป็นผู้ที่ยืนเดินนั่งนอนไม่มีความทุกข์ใจอีกแต่สิ่งสำคัญก็คือในระหว่างวันเนี่ยถ้าเราทำงานภายในไปด้วยแล้วพอหมดวัน เราได้มีเวลาเป็นส่วนตัวในพักงานเราก็มาเข้าสมาธิเพื่อให้เราได้ชําระอารมณ์ที่มันติดค้างอยู่ในใจของเราออกไปใจเราก็จะได้พักผ่อนเต็มที่ไม่มีเครื่องกวนใจที่เราเหนื่อยมันก็ได้พักอยู่กับความสงบใจเราก็จะได้ผ่องใสเ ย, ยือกเย็นขึ้นมามีความสบายอยู่ในใจ แต่ถ้าเราไม่มีการงานภายในระหว่างวันเลยเนี่ยขยะที่มันมีเก็บไว้สะสมเอาไว้มันจะจะมากพอมาถึงเวลาตอนกลางคืนเราคิดว่าเออเราขอทําสมาธิหน่อยสู้กันไม่ไหวหรอกพอมันเหนื่อยมันเพลียมันก็จะหลับแหละหรือถ้ามันไม่เหนื่อยไม่เพลียมันก็คิดฟุ้งซ่านกับงานการที่มันยังติดค้างอยู่แต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ขอให้ทำไป ฝึกให้มันเป็นนิสัยเลยว่าก่อนนอนเนี่ยเราก็จะทำสมาธิพยายามพยายามทำชำระจิตใจให้มันสงบเยือกเย็นลงไปให้ได้แน่นอนแรกๆมันอาจจะไม่ดีแต่พอเริ่มไปเริ่มไปเป็นนิสัยเนี่ยมันก็จะเข้าที่เข้าทางจนสุดท้ายเราก็จะสามารถที่จะไปถึงจุดที่ก่อนนอนเราก็ชำระ อารมณ์ออกไปได้ใจเราก็ได้พักเต็มที่เราเราก็มีความสงบที่ตุวเอาไว้ตื่นนอนมาแล้วก็เข้าสมาธิพอได้เวลาเราก็ไปล้างหน้าแปรงฟันทําธุรกิจส่วนตัวทาธุระส่วนตัวแล้วค่อยไปทํางานเราก็มีเวลาที่เราจะเติมพลังให้ใจให้ใจได้พักช่วงใหญ่ๆถึงสองช่วงช่วงที่สำคัญด้วยเพราะฉะนั้น การเข้าสมาธิก่อนนอนก็ดีตื่นหลังตื่นนอนก็ดีเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นพยายามทำให้เป็นนิสัยให้ได้ก็จะได้ช่วยช่วยในระหว่างวันเราได้มากเลยถ้าเรามีความสงบใจผ่องใสไปในระหว่างวันเนี่ยไม่ว่าจะเจออุปสรรคการงานอะไรเนี่ยเราก็จะมีตัวนี้แหละที่มันยังเป็นทำนบเป็นเขื่อนที่มันจะไม่ทาให้เรามีใจที่คุณมัวเศร้าหมอง ใจเราก็ยังมีพลังที่จะต่อสู้กับมันไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกท้อแท้กับมันแล้วเราก็พอเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะกำลังเราเริ่มหมดนะแต่ยังน้อยก็ยังมีของเก่าที่เราตุนเอไว้ตอนเช้าในระหว่างวันเราก็รักษาใจให้ดีเราก็มาชาร์จแบตบ้างนาที10นาทีหรือนึกขึ้นได้ก็ รับมาดูลมหายใจให้ใจอยู่กับความสงบเรื่อยๆพอทำเป็นนิสัยใจเราก็จะมีความตั้งมั่นอยู่ในภายในแล้วเราก็จะทำงานไปโดยที่ใจเราตั้งมั่นอยู่ในภายในได้ชีวิตการงานของเราก็จึงจะเป็นชีวิตการงานที่ภายนอกและภายในเสมอกันทำให้ความทุกข์ที่มันมีที่ได้รับจากการทำงา น, นยอยู่ในระดับที่ไปได้แล้วก็อยู่ในระดับที่ไม่เสียแทง ไม่ทำร้ายจิตใจของเรานะราะฉะ น, นก็อยากให้ทุกท่านได้ลองนาเอาไปปรับใช้ดูสำหรับคนที่มุ่งมั่นกับการทำงานเนี่ยก็ต้องมุ่งมั่นกับงานภายในของเราด้วยก็ขอให้ลองเอาไปทำดูนะ